เนี่ยนะถ้าถึงฝั่งคืออาสังคตาก็ถึงที่สุดแห่งทุกได้อันสาวกของพระพุทธเจ้าท่านก็ถึงฝั่งกันทั้งนั้นนี่ท่านก็ถึงฝั่งกันแม้กระทั่งนางวิสาขาก็ถึงฝั่งแต่ถึงฝั่งโดยอารามณปัจจัยเนี่ยนะแต่ว่ายังไม่ได้ถึงแบบสูงสุดจริงๆอนะพราะท่านได้แค่มักที่เห็นทัศน์มักท่านเห็นอริยสัจล้ว แต่ท่านยังไม่แทงตลอดอริยสัจชั้นสูงสุดนีนะท่านยังไม่ได้แทงตลอดอริยสัจชั้นสูงที่สุดเนี่ยนะท่านก็เห็นนะทัานถ้าผู้ใดเห็นอริยสัจได้ก็ปิดอบายได้นะนั้นการที่อริยสัจหรือหรือพระนิพพานเนี่ยจะช่วยให้สาสตร์เนี่ยพ้นจากอุปาทานขันห้านั้นการศึกษาใดถ้าเป็นไปเพื่อเบื่อนายและคลายกำหนัดในขันห้านั่นเป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าเ น, น, นะนะ ผลทั้งหมดนั้นก็เป็นนิสรณะนะหมายถึงอริยมรรคกับพระนิพพานเป็นนิสรณะทีนี้มาดูผลว่าพระพุทธเจ้าแสดงธรรมแล้วเนี่ยนะผลจะเป็นยังไงผลแห่งเทศนาน่ะนะบอกว่ากุสลธรรมย่อมรักษาผู้มีปกติประพฤติธรรมบุตร่มใหญ่ที่ช่วยกันฝนในเวลาฝนตกฉะนั้นนี้เป็นอานิสงในธรรมะที่บุคคลประพฤติแล้วผู้มีปกติประพฤติธรรม ย่อมไม่ไปสู่ทุกคติเนี่ยนะกะ็ผู้ที่ประพฤติธรรมได้เนี่ยนะธรรมะเนี่ยจะรักษาเขานะรักษาธรรมะรักษาเนี่ยนะสมมติว่าธรรมะรักษาในภพนี้ยังไงในภพนี้นะถ้าใครมีกุศลธรรมจริงนะธรรมะจะรักษาไม่ให้ไปทําบาปทํากรรมอย่างน้อยที่สุดเนี่ยบุญทํามากไม่ได้ก็ลด บ, บาปไปก่อนใช่ไหมลด บ, บาปก่อนถ้าเรารักษาศีลถามว่า ลดบาปไปขนาดไหนเนี่ยลดไทเวนให้ตัวเองด้วยนะเรื่องที่สมมุติถ้าเราจะไม่สบายใจอ่ะเป็นผลงานของเราทั้งนั้นเลยนะอ่ะผลงานที่ไม่ใช่ศีล น, นะไปพูดให้คนโน้นเขาเดือดร้อนอยังไงนะคนที่เดือดร้อนที่สุดคนพูดนั่นแหละเดือดร้อนจนนิ่งไม่ได้นะต้องหาข้อแก้ตัวให้ตัวเองตลอดอนะนะหาข้อแก้ตัวคือคือปัดบ่ายเบี่ยงอยู่ตลอดคนที่ใบเบี่ยงอยู่ตลอดแก็เดือดร้อนอยู่ตลอดนั่นแหละ นั้นคนที่เดือดร้อนที่สุดคือคนที่สร้างความเดือดร้อนให้ผู้อื่นคนศีลไม่ดีคือการสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นแม้กระทั่งพูดให้คนอื่นไม่สบายใจเนี่ยถามว่าใครไม่สบายใจกว่ากันก็คนพูดนั่นแหละไม่สบายใจกว่าคนที่ถูกพูดเนี่ยนะเพราะสร้างอะไรนะให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวใช่ไหมปกติก็เป็นอย่างนั้นนั้นคนที่ศีลไม่ดีก็เดือดร้อนใจในภายหลังนั้นถ้ารักษาศีลดีนะกูรูสอธรรมเหล่านี้จะรักษาตัวเองก่อนหนึ่งไม่ต้องเดือดร้อนใจ แล้วก็คนที่เสียทรัพย์ส่วนหนึ่งก็เกิดจากการทุศีลเนี่ยนะผลของการทุศีนก็ทําให้เสียทรัพย์ทีนี้เวลาใกล้จะตายอ่ะใกล้จะตายก็ระลึกถึงบุญไม่ได้เลยอ่ะเรียกว่าหลงทำก า, ะาละเนี่ยนะระลึกถึงบุญไม่ได้หลงทำกาละถ้าตายไปในระหว่างนั้นควรจะเกิดที่ไหนก็อบายถ้าเรานั่งอยู่ห้องตรงนี้นะเราจะไม่นึกถึงอบายมากเท่าไหร่แต่ถ้าเราดูในพรหมนะดูดยังไงเครื่องดูดฝุ่นก็ดูดมันไม่หมด ในทมทั้งหลายที่เราดูสะอาดๆเี่นะโห oh, อยู่ในนั้นเป็นเป็นกี่ล้านตัวเนี่ยนะเป็นล้านล้านตัวเลยนะถามว่าผลของอะไรผลของอภิชากับโภมนัตที่นำเกิดนั่นเองเนี่ยนะในในศัตร์เนี่ยนะถ้าเอาหนังสือเรื่องกล้องจุลทรรศน์มาดูนะตอนบนศีรษะของเราไม่รู้มัไต่กี่ตัวแล้วนะก็ไม่เคยอยู่คนเดียวที่ไหนได้อยู่ตั้งเยอะ เป็นห ม, มืนตัวนะบนแม้กระทั่งบนศรีรษะเนี่ยพวกสื้อ้าทั้งหลายที่เห็นๆกันอยู่เนี่ยมีขันห้าไปสิงสถิตยอยู่นาที่นั้นทั้งนั้นแหละมีอยู่เรื่องหนึ่งอ่ะพระพิสุท์ท่านเผาเผาคือท่านเอาดินมาก่อเป็นกุฏิใช่ไหมแล้วก็จุดไฟเผาพระพุทธเจ้าพระองค์ตรัสว่าโมฆบุรุษนั้นจะรู้จะรู้หรือนอว่าศักดิ์เนี่ยตายไปเท่าไหร่นี่นะที่ที่ไฟเผาดินเนี่ยนะ มันท่าอย่างไฟป่าอย่างนเนี้นะถามว่าศักด์เนี่ยตายไปเท่าไหร่นเนี่ยนะแต่ว่าเชื่อไหมจุติมเท่าไหร่ก็ปฏิสนธิเท่านั้นไม่มีจุติจิตของบ้ารหันอยู่ในนั้นเลยอ่ะไหมเพราะอะไรเพราะว่าเป็นผู้ที่ยึดติดในขันท่าทั้งนั้นท่านผู้ที่ติดในขันท่าถ้าไม่ประพฤติ ธ, ธรรมเนี่ยนะถ้าไม่ประพฤติ ธ, ธรรมเนี่ยยังไงก็วนกลับไปสู่ขันท่าอีกตามเดิมทีนี้เมื่อไหร่ที่เราพูดถึงเดรฉ า, านให้รู้ว่า ผลของการเกิดเดรัชานมาจากไหนมาจากไหนถ้าจำสูตรดีๆเนี่ยนะเนขาบอกว่าคติสองของมิจฉาทิฐิคือนรกกับเดรัชานพุทธพจน์นี้มีหลายแห่งมากในพระไตรปิฎกเนี่ยนะคติสองของมิจฉาทิฐิคือนรกกับเดรัชานท่านเรื่องทิฐิเนี่ยเป็นเรื่องที่เราต้องสังวรให้มากๆเนี่ยนะก็เราถ้าเราไม่ฉลาดอะไรเลยนะก็สมท า, านไว้ยอย่างนี้ว่า พระพุทธเจ้าเห็นยังไงเราก็ขอเห็นตามมาะนะก็ถ้าถ้าไม่ได้อะไรเลยสักอย่างะนะคิดอะไรเองไม่ออกเลยนะ เ, เรื่องนี้พระองค์ตรัสว่ายังไงเออนั่นแหละถูกต้องอันนะัคือสัมมาทิฏฐิที่สุดแล้วนะพอเราในฐานะว่าพระพุทธเจ้าเป็นเป็นครูใช่ไหมเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพระองค์นี่เป็นศาสดาของเราขอคิดตามท่านเถอะอันนี้ยง่ายที่สุดไม่ต้องไปคิดหาสูตรเองให้มัน ซับซ้อนอะไรหรอกเพราะพระองค์บำเพ็ญบารมีมาทั้งสี่อสงไขยแสนกับก็บเพื่อจะสงเคราะห์เรานั่นแหละแต่ถ้าเราไม่เห็นตามแสดงว่าเราก็ไม่ธรรมดามกันนะมานะไม่ธรรมดาเลยอะมานะนะไม่ใช่อย่างอื่นนะนั้นทําแลรย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมในอัตถกถาท่านใช้สัพท์ว่าเอวังธรรมโมติอัตตะสัมมาปณิธานเนะอั ป, ปมาตโตหุ ต, ตวา อันนก็ไปเจอสักบาลีนะก็ชอบมากอัตตะสัมมาปณิทิอัปปามะโตนี่นะคือหมายถึงว่าเป็นผู้ไม่ประมาทตั้งอยู่ในอัตตะสัมมาปณิธินี่นะถามว่าไม่ประมาทผู้ที่ไม่ประมาทคือผู้ที่เห็นภายในกามเห็นภายในทุจริตกรรมทั้งหลายแล้วมาเจริญกุศลอย่างต่อเนื่องเรียกว่าไม่ประมาทไม่ประมาทในการตั้งแล้วตั้งอัตตะสัมมาปณิธิ มาจากบาลีว่าอัตตะสัมมาปณิธานะอั ป, ปมาโตะก็เรียกว่าเป็นผู้ไม่ประมาทด้วยอัตตะสัมมาปณิธิทั้นถ้าไม่ประมาทก็คือตั้งความปรารถนาเพื่อที่จะรักษากุศลทั้งหลายเนี่ยนะตั้ง อ, อัตตะอัตตะสัมมาปณิทิไว้เลยว่าศรัทธาในพระธรรมตรายที่กระพงกระแพงก็ให้มันบริบูรณ์ยิ่งขึ้นอัะศีลที่ยังไม่ค่อยดีก็ทําให้ศีลเหล่านั้นดีขึ้นตั้งอัตตะสัมมาปณิทิไว้เลยเนี่ยนะ กุศลธรรมใดที่ยังไม่เจริญก็ตั้งไว้เพื่อที่จะเจริญกุศลเหล่านั้นนั้นให้มากขึ้นนะการตั้งอัตตะสัมมาปณิที่เนี่ยนะเป็นตัดใจภจายในที่สําคัญที่สุดที่เป็นเหตุแห่งกุศลเนีย่ยนะไม่มีอะไรจะมีอุปการะกว่านี้อีกแล้วอย่างที่เรามาศึกษาธรรมะเนี่ยนะเพราะเราคิดว่าจะมาศึกษาอันนั้นแหละเป็นอัตตะสัมมาปณิที่ที่เราตั้งไว้ถ้าไม่ตั้งไว้อย่างนั้นนะมพอตื่นเช้ามาจะมาอย่างนี้ไหมปกติก็ไม่ค่อยมาอยู่แล้วเนี่ยนะ เพราะอะไรเพราะการตั้งใจอ่ะนะการตั้งใจเนี่ยสําคัญที่สุดขอให้ตั้งเถอะเรื่องดีนะเนี่ยไทยเราชาตินี้าไม่ได้ด่าคนนั้นจะไม่เลิกอันนี้อันนี้ละเถอะแต่หมายถึงว่ากุศลที่ยังไม่ตั้งอ่ะให้ตั้งที่ตั้งไว้แล้วก็ตั้งไปบ่อยๆบางคนเขาเสียใจบอกก็ตั้งแล้วก็ทําไม่ได้ถ้าตั้งแล้วทําไม่ได้นะอย่าไปเสียใจขอให้มันตั้งใหม่ๆตั้งบ่อยๆเอา เนี่ยนะผู้ที่เห็นโทษโดยความเป็นโทษแล้วถึงความสำรวมระวังต่อไปเป็นความเจริญในอริยวินัยนี้พลาดแล้วก็ตั้งใหม่พลาดแล้วก็ตั้งใหม่มันไม่กี่ครั้งเดี๋ยวมันก็ทำมาได้เองแหละจริงๆขอให้มันตั้งไปเถอะเนี่ยนะให้เห็นโทษของการล่วงแล้วก็เห็นคุณของการรักษาพลาดเอาใหม่พลาดเอาใหม่หมไม่นานทำได้เนี่ยนะสคัญว่า ไม่เคยคิดจะตั้งปลายธรรมเลยนะไม่ตั้งอัตตาสมาปนิธิไม่เคยคิดแบบนี้เลยอะ่ะถ้าไม่คิดอันนี้ก็เป็นไปไม่ได้ถามว่าทุกคนเนี่ยตั้งจิตจริงๆว่าจะต้องรู้อริยสัจให้ได้แบบแบบปลูกฝังลงลึกๆแบบนี้เนี่ยนะถามว่าถ้าตั้งขนาดนั้นจริ ง, งมาเชื่อว่าบรรลุแน่แต่เมื่อไรอีกเรื่องหนึ่งนะขอให้ตั้งตั้งจริงๆเถอะแต่ถ้าไม่ตั้งนะโอ้ยอย่าว่าบรรลุเลยฟังอริยสัจยังรับไม่ได้ นนฟังแล้วรพูดอะไรก่อหม่รู้ไม่เที่ยงไม่ทุกไปลันตตาอุปาทานขันห้าฟังแล้วไม่เห็นสนุกอะไรเลยนั้นถ้าไม่ตั้งนะเปอร์เซน์ที่จะบรรลุไม่มีก็คือต้องอาศัยวิริยิสีเนี่ยนะวิริยะเนี่ยแปละว่าการงานของคนกล้าก็คือกล้าตั้งที่จะรักษาสีเนี้ไม่ใช่ทําง่ายนะเพราะว่าปกติเราก็สมมติว่า ป, ปกติเพอร์เจอนิชนานาญมากใช่ไหมอย่างเงี้ยเอี่ตั้งเพื่อจะไม่พูดเพอร์เจอนี้ไม่ง่ายนะ นี่ก็ยากแต่ว่าปกติเราเป็นคนมักตำหนิผู้อื่นเนี่ยนะเห็นใครไม่ดีสักคนเลยดีแต่เราอยู่คนเดียวอย่างเงี้ยนะดันั้นะถ้าอย่างนี้เขาต้องตั้งบ่อยๆเขาก็ต้องมีส่วนดีบ้างจะได้นั่นแหละดังนั้นเราก็ควรจะมีเมตตาต่อเขาให้มากนะดังนั้นถ้าเราหมั่นตั้งบ่อยๆก็เป็นไปได้อยู่แล้วในที่สุดเนี่ยนะพระมหาโมกขลานะท่านยำเกรงโดยที่สุดแม้แต่สัมมณิ น, นอ克拉สาวกองที่สองเนี่ยนะที่เลิอดทางเล็ดเนี่ยนะท่านยำเกรงแม้ที่สุดสัมมณิ น, นอายุเจ็ดขวบ เพราะอะไรเพราะว่าท่านตั้งจิตเอาไว้ดีมากภาษาริบุตรนี่สัมมาเนนอายุเจ็ดขวบแนะนําว่าท่านห่มจีวรไม่ดีนะภาษาริบุตรไม่เถียงเลยทัานก็หลุดไปดูมันใช่อ่ะใช่ท่านก็ออกไปแล้วท่านก็ห่มใหม่บอกว่าเท่านี้พอไหมท่านอาจารย์เหมือนไม่ใช่พูดประชดนะคือคือเคารพจริงๆว่าที่ท่านให้โอวาทอะนะที่ดีและ ท, ที่ที่มีสัมมาเนยแ น, นแนะนําอ่ะเนี่ยท่านผลจากการตั้งอัตตาสัมมาปณิที่นะแต่ถ้าชูไว้ตลอดอะไรจะเกิดขึ้น ชั้นมันใครแกมันใครแกเพิ่งบวชไม่ใช่หรืออายุเจ็ดขวบยังไงนะเสร็จเลยนชันชนะอีกนะเพราะเขาเถียงไม่ได้อยู่แล้วเขาเถียงสู้คนอายุมากกว่าไม่ได้อยู่แล้วนั้นถ้าตั้งอัตตะสัมมาปณิทิเอาไว้เนี่ยนะที่จะมีเมตตาที่จะมีศรัทธามีศีลเป็นต้นเนี่ยเป็นไปได้อยู่แล้วขอให้มีศรัทธาที่จะทําเถอะเนี่ยนะสำคัญอยู่ตรงนั้นเกิดบางคนเนี่ยนะว่าจิตที่เขาตั้งมาเนี่ยความคิดทุกความคิดที่มันเรามาคิดกันตอนนี้นะ ไม่ใช่เป็นผลของอุปนิสัยเมื่อเมื่อเช้อเชาอย่างสมมตินะอย่างของมามากับผู้การเนี่ยที่มาเนี่ยเป็นผลความคิดอย่างน้อยที่สุดเนี่ยสองอาทิตย์ที่แล้วที่มาวันนี้นะไม่ใช่เพิ่งอยู่ๆเมือ่อเมื่อเช้าเนี่ยเพิ่งมาคิดมาไม่ใช่เนี่ยนะอย่างคิดที่จะมาแสดงอันเนี่ยนะคิดมาตั้งหลายตลบแล้วเนี่ยนะว่าเออจะเอาเรื่องนี้ไปพูดยังไงไปแสดงยังไงให้ตามคำสอนเท่าที่จะทําได้เนี่ยนะเพอพราะมันจึงมาพูดได้มาคิดได้ มันผลอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นมันเป็นเหตุของอีกอย่างหนึ่งทีนี้เราก็รู้ว่าผลทั้งหลายไหลมาจากเหตุแล้วก็มาลองมาตั้งหมาเนี่ยนะครับถ้าเราตั้งได้อนาคตเราก็ดีได้แต่ทีนี้ว่าเราก็ต้องยอมรับว่าสิ่งที่เราตั้งเอาไว้ในโลกก่อนหน้านี้มามากเหลือเกินะนะเพราะจิตเนี่ยไม่ที่ไม่เป็นอุปนิสยัยไม่มีเพราะฉะถ้าเราเคยตั้งไว้อย่างอื่นมามากอันนั้น่จะมาเระ่เบียดอันนี้ก่อนเราจะสู้ผ่านไปได้ ไ, ดไหมล่ะเนีย่ยนะ เพราะอย่างคนที่บางคนเนะี่ยถ้าอยู่สปกติชาวโลกธรรมดานะถ้าไม่ศึกษาธรรมะชีวิตราบรื่นหมดไม่มีอะไรแต่พอเริ่มจะเนี่ยจะแบ่งเวลาศึกษาธรรมะและเอาละคันนี่อานนท์ก็มาอันนี้ก็มาปัญหาทําให้วุ่นวายไปทุกเรื่องเลยนะถ้าเลิกศึกษาก็ปกติ น, นะนะบางทีเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าเราต้องยอมรับว่าเราไม่ได้เป็นคนดีมาตั้งแต่เกิดเนี่ยนะเราเราก็มีโทสะอยู่ มีโลภะอยู่มีโมหะอยู่กรรมใดที่เกิดจากโลภะโทสะโมหะกรรมนั้นสุจริตหรือทุจริตก็รู้อยู่แล้วว่าทุจริตทุจริตเนี่ยไม่มีผลหรือถ้าไม่มีผลคําสอนพระพุทธเจ้าก็ผิดแต่ทั้นสิ่งเหล่านั้นมีผลเมื่อสิ่งเหล่านั้นมีผลก็ต้องหมั่นสมาทานที่จะเห็นโทษของอกุศลแล้วก็หมั่นสมาทานให้เห็นคุณของกุศลนี่นะนั้นถ้าผู้ที่มีปกติ ประพฤติ ธ, ธรรมเนี่ยนะธรรมนั่นแหละจะรักษาของรักษาตัวเขารักษาให้เขาประพฤติสุจริตก่อนทีนี้ถ้าเขาประพฤติสุจริตตัวเองก็ติเตียนตัวเองไม่ได้บัณฑิตทั้งหลายพิจารณาแล้วก็ติเตียนไม่ได้จะไม่เดือดร้อนทั้งโลกนี้จะไม่เดือดร้อนทั้งโลกหน้าท่านบอกว่าให้ผลเป็นสุขทั้งทิฏฐธรรมและสำปรายจพนี่อีกในหนึ่งแต่ถ้าเราปฏิบัติจนถึงกุศลธรรมที่เป็นกุศลชั้มสูงเลย กุศลธรรมที่สูงคืออริยมรรคถ้าปฏิบัติจนถึงอริยมรรคนะโสดาปฏิมรักษาไม่ให้ปฏิสนธิเป็นมนุษย์อีกในภพที่แปดไปรักษานู่นก่อนแล้วโสดาปฏิมรรเนี่ยักษาไม่ให้ปฏิสนธิในอบายทั้งสี่เนี่ยนะอันนี้คืออ น, นิสงส์ของโสดาปฏิมที่รักษาทีนี้ถ้าพระโสดาบันจะมาเกิดถามมาเลือกตระกูลเกิดได้เลย เพราะหลายพระโสดาบันเป็นผู้ที่บริบูรณ์ด้วยอริยทรัพย์เจ็ดประการเป็นผู้ที่มั่นคงในพระพุทธเจ้านะศรัทธาของท่านเป็นอาจาระศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยศรัทธาท่านบริบูรณ์ที่สุดละสองฮิริโอตตะเพราะท่านรู้ผลแห่งกรรมดีกรรมชั่วอย่างดีเนี่ยทําให้ท่านละอายชั่วกลัวต่อบาปแล้วพระโสดาบันเนี่ยเป็นผู้ที่มีศีลดีอย่างน้อยเนี่ยเจตแม้แต่ความคิดเพื่อล่วงศีลห้าพระโสดาบันไม่มี โดยที่สุดแม้แต่คิดขึ้นเนี่ยเออคิดจะดื่มสุราเนี่ยแม้ความคิดนั้นก็ไม่มีคิดที่จะเบียดเบียนสัตว์เนี่ยแม้แต่คิดยังไม่มีเลยเพราะนั่นจึงเป็นผู้ที่ศีลบริสุทธิ์อย่างแท้จริงดังนั้นก็ล่วงภัเวรทั้งภพนี้ร่วงภัยเวรทั้งภพหน้าได้แล้วแล้วพระโสดาบันเนี่ยยังมีองค์คุณอย่างอื่นเช่นท่านเข้าสัพเะสมาบัติได้มีนิพพานเป็นอารมณ์ได้นะเห็นภายในสังขารเมื่อไหร่ก็เข้าพระสมาบัติได้ เสวยวิมุตติสุขอันนั้นได้สบายเนี่ยนะสวยวิมุตติสุขที่เป็นระดับโสโดาปฏิผลเนี่ยนะนั้นก็นั้นคุณเนี่ยเป็นอเนกเนี่ยนะที่สาคัญที่สุดคือปิดปิ ด, ปดในอบายมีสูตรหนึ่งกล่าวถึงว่าทุกของพระโสดาบันเหลือน้อยเท่ากับน้ำเจ็บหยดถ้าเทียบ ก, กับทุกขของปุตุชนที่เท่ากับน้ําในทะเละไปเที่ยวทะเลก็นึกถึงนะพอเอาน้ําจุ่มมาน้ํามันหยดติ๊งติ๊งติเจ็บหยดเออทุกโสดาบันเหลือเท่านี้แหละแต่ผู้ที่ยึดในขันห้านะทุกเหลือเท่านั้น ตั้งคำถามว่าทำไมมันจึงมากมายขนาดนั้นง่ายๆก็คือว่าสิ่งที่เราเห็นคือสิ่งที่เราจะเป็นตั้งง่ายๆว่าถ้าเรายังละความยึดถือในขันธ์ห้าไม่ได้นะสิ่งที่เราเห็นคือสิ่งที่เราจะเป็นต่อไปในอนาคตมีที่ไหนมั่งที่เราตัดสิทธ์แล้วที่ไม่ขอไปเกิดที่นั่นไปถึงอินเดียตัดสิทธ์เกิดเป็นเนี่ยกลุ่มอธิสูตรอินเดียแล้วนะพูดได้ขนาดนี้ไหมไม่ได้ ใคไปเขาขี้จกักรูดมาหลายท่านแล้วที่นี่เลยขาลงเห็นอะไรบัางสมัยพุทธกาลเนี่ยพระโมกขลานะกับพรนะลักษณะท่านเอ่พนะพอพระลักษณะพระโมคขลานะท่านเห็นเปรตใช่ไหมของมาขัาบตอนที่ไปั้งที่แล้วเห็นขอทานลงมาก็มองไม่ไ ม, มีความต่างอะไรกันเลยมันพิการเหมือนเหมือนกันนั่นแหละขามดก็ขาดขาก็ขาดแมลงวันก็ตอมหึ่งอยู่เหมือนกันตากแดดอยู่เหมือนกันอันนี้เราก็เปรียบเทียบเออที่เขาตากแดดอยู่เนี่ยก็ประมาเปรียบเหมือนกับไฟ ไ, มไหม้ก็แล้วกันเพราะมันร้อนมากะนะ แต่แล้วมแมลงวันก็ตอมหึงพร้อมก็ออกพร้อมจนก็ออกจนไม่รู้กินอะไรได้ยังไม่รู้แต่ว่ารหัสขอทานมันรู้กันรหัสขอทานก็ทํายังไงไหมรูบ ป, ปากรูบท้องแล้วก็แบ ร, รู้เลยใช่ไหมว่าเขาขอาหมายถึองเขาหิวนะบางทีก็ชี้ไปที่ลูกแล้วก็แบรเนี่ยนะหนักมากทั้งแม่ทั้งลูกเถามว่าแต่เห็นอย่างนั้นโอ้โหโสมนัดเลยว่าเราพ้นจากสภาพแบบนี้แล้วหนาเอาอะไรมาเป็นเครื่องรับรองว่าฉันพ้นจากสิ่งนี้แล้วเอาอะไรเอาคุณตัวไหน ศรัทธาศีล ส, สุตะจาระคัญญาโสดาปฏิมักเนี่ยนะคุณธรรมระดับนี้จึงจะพ้นแล้วถ้ายังไม่พ้นนะแลมถ้าถึงของเราเนี่ยเอามาศึกษารักษาเนี่ยถ้าไปเกิดในภพ บ, บางภพนะบุญให้พ้นนำเกิดฐานะดีหน่อยนะมีบุญมากไปด่าผ้าอรหันต์ไว้ข้างเดียวก็สบายกลับเรียนกลับไปที่เดิมอีกเลยไม่มาเกิดเป็นผู้มั่งมีมากมานะไว้มากมาก แต่กว่าโลกนี้มานะมากเป็นเหตุตระกูลต่ำนะมันน่าจะสูงยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นเลยไม่ใช่เลยเนี่ยนะนะผลของมานะอย่างท้าอุบาลีเนี่ยทําไมท่านมาเกิดเป็นลูกช่างกระบกก็ชาติที่แล้วท่านเป็นลูกพระราชาเนี่ยนะนะไปดาพระประเจ ก, กับพุทธเจ้าวไว้เนี่ยนะนะผลอันนั้นทําให้เกิดเป็นลูกช่างกระบกเนะนะี่ยก็คือเป็นลูกอาชีพตัดผมก็เท่ากับเป็นขี้ข่าของในวังอ่ะเนี่ยนะนะนะเป็นเป็นข้าทาสจริงจริงเลยนะเพรนับว่าเดือดร้อนมากัหรือว่าหลายๆท่านพอไปเกิดในตระกูลสูงมาก พอมาชาติหลังก็มาด่าพระอริยะเนี่ยหรือว่าไปใช้พระอริยะเข้าเอาอย่างคุดชุดราบาสิกาเนี่ยนะเออเป็นคนบุตรชาติก่อนเป็นบุตรเศรษฐีใช่ไหมมีทรัพย์ ม, มากคุ้นเคยกับพาธารันรูปหนึ่งก็เลยวานพาธารันช่วยหยิบของของของใช้ให้ทีนึ่งพาธารันนั่นก็คิดเออถ้าเราหยิบให้นะมันก็เป็นชาติหน้าเป็นขี้ข่าเขาถ้าเราไม่หยิบให้โกรธตกนรกนะนะเออเป็นขี้ข่าก็ดีกว่าตกนรกท่านก็เลยหยิบให้เลยนะ เพราะฉะนั้นใช้คนมีสินเท่าเดีอยร้อนิีแล้วก็โหขันห่านี้มันมันเป็นสิ่งที่ถ้ามองในระยะยาวเนี่ยไม่ดีแต่ถ้ามองสั้นๆด้วยอำน า, อาจอัสาธะเนี่ยภาษาธรรมะใช้คำว่าเมาเนี่ยนะถ้าเมาอยู่ก็ว่าไม่ดีอะ่ะแต่ถ้าส่งเมาเมื่อไหร่จะรู้แล้วโอ้โหอะไรเกิดขึ้นบ้างข้างหน้าเนี่ยนะขอราะ่เพียงแต่ว่าตืนต่นๆเถอะมีกรรมสศกตาดีๆหรือจะรู้ว่าโอ้โหขันห่านี้ถ้าไม่รักษาทําไม่ประพฤติธรรมเนี่ย ไม่รู้จะเอาอะไรมาเป็นเครื่องรองรับนะว่าเราจะไม่อยู่ในสภาพแบบนั้นนั้นปัญหาที่มีอยู่ในโลกที่เราเห็นเนเนี่ยคือให้รู้ทัวเราเคยรับภาระในส่วนนั้นนั้นมาหมดแล้วทีนี้ถ้ายังตัดชั้นราคาในขันห้าไม่ได้จะต้องไปรับภาระแบบนั้นทั้งหมดอันนี้อย่างดีแล้วนะมนุษย์เนี่ยอย่างดีแล้วหนักกว่ามนุษย์อีกก็คืออบายเนี่ยนะแล้วถามว่าจักรวาลมีเท่าไหร่จักรวาลหาประมาณไม่ได้ถ้า สมมติในะกรุงเทพเนี่ยเอาทรายมาถมให้เต็มสูงสักกิโลเมตรสูงสิหกิโลเมตรเลยนะแล้วหันหน้าไปที่ตะวันออกแล้วก็หนึ่งจักรวาลโยนทรายไปเม็ดหนึ่งหนึ่งจักรวาลโยนทรายไปเม็ดหนึ่งเนี่ยนะทรนะนะายหมดก่อนจักรวาลยังไม่หมดเลยนี่นะไม่รู้จะย้ายไปอยู่จักรวาลไหนบ้างก็มไม่รู้เนะีนะ้ยยังไงยังไงก็อย่าให้มันมีจักรวาลที่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหน่ยนะเอาไปจักรวาลอื่นแล้วยุ่งเหมือนกันนะ แล้วผลของกรรมเนี่ยมันทำมันให้ผลเนี่ยไม่น่าเชื่อว่าหมูเดรฉ า, านมันจะวิจิตขนาดนั้นมี่ผลแห่งการยึดถือขันท่านะีถ้าใครเป็นนักเที่ยวป่านะอยู่ในป่าเนี่ยเคลียเคียไปตรงไหนเดรฉ า, านเนะั้นก็แต่ละตัวนะรูปร่างมันวิจิตพิสดารอะไรป่า น, นั้นไม่เห็นมไม่มีอีกแล้วว่า ง, งั้นแต่วิจิตมากเลไม่ต้องทาสีให้มันด้วยเนี่ยนะมากวิจิตพิสดารแล้วตัวเนี่ยนะมาวานหันไปทางหน้าต่างแล้วก็พลิก เปิดไอ้ประตูมุงลวดไม่ได้เปิดมาหลายวันนะเปิดมาทีนี่ร่วงกรูเลยไหมอะไรกรูอะไรโเสาห้องน้ำมันกัดก็นุนพังหมดแ้โอ้โหเก่งมากเลยเนยะก็แสดงว่าไม้ดูผิวนอกดูดีๆเนี่ยนะเคาะไปเนี่ยเท่าไหร่ในนั้นอ่ะนะมันก็รู้ว่าโอ้โหทุกแห่งเป็นที่อยู่แห่งอุปาทานขันหมดทีนี้เราต้องประพฤติ ท, ทำให้เพียงพอที่บอกว่าฉันเนี่ยปิดแล้วฉันจะไม่ปฏิสนธิตรงนั้น แต่ไม่ใช่ว่าแค่บอกว่าฉันยังไม่เป็นอย่างนั้นหรอกแค่คิดนี่ไม่พอใช่ไหมคนที่เดือดร้อนในโลกนี้เขาก็คิดว่าเขาจะไม่เดือดร้อนอยู่แล้วแต่ว่ามันไม่ได้เป็นอย่างนั้นผู้ที่ยังยึดถื อ, อถือมั่นติดข้องในอุปาทานขันห้าจะต้องได้รับหรือได้อยู่ในทุกสภาพอยู่แล้วเพราะฉะนั้นขอให้สมาทานที่จะเห็นภายในอุปาทานขันห้าอย่างน้อยที่สุดให้เห็นภายในทุจิจิตก่อนขันห้าทุจิจิตก็คือขันหนะ้าเนี่ยไม่ใช่อะไรหรอก อันนะทุจริตคืออะไรถ้าวิเคราะห์โดยนามะขันนะคืออกุศลเหตุอกุศลเหตุสามนะคือโลภะเหตุโทสะเหตุ โ, หตโมหะเหตุเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตธรรมล่วงมาทางวาจาเรียกว่าวจีทุจริตพฤติกรรมที่เกิดจากอากุศลเหล่านั้นเป็นสมุทฐานเรียกว่ากายทุจริตเพราะฉะนั้นรูปที่เป็นทางกายวาจาเป็นรูปะขันทุจริตเป็นสังขารขันจิตที่เกิดร่วมเป็น วิญญาณขันเนี่ยนะเจตสิกที่เหลือก็เป็นเวทนาและสัญญาขันเพราะฉะนั้นก็คือขันห้านั่นแหละที่ประชมกันในขณะที่ทำทุจริตเพราะฉะนั้นอย่างน้อยที่สุดให้สังวรที่จะเห็นภายในทุจริตเหล่านั้นก่อนทีนี้เมื่อเห็นภายในทุจริตสิ่งที่ติดตามมาควรจะเห็นภายของทุจริตทิฏฐินะเห็นภายของทุจริตก่อนนะเห็นภายของทิฏฐิทิฏฐิของสัตว์ทั้งหลายเนี่ย ปกติไม่ถือว่าขันห้าใช่ไหมที่ประชุมกันถามว่าไปถือเป็นอะไรประชุมถือเป็นเป็นคนเป็นสัตว์คือเป็นคนเป็นสัตว์ก็ไม่ได้ว่าผิดเสมอไปลายรอกแต่ปัญหาคือไม่เคยแยกแยะในสิ่งนั้นเลยว่าองค์ประชุมของสิ่งนั้นอ่ะจริงๆอคืออะไรเนี่ยนะก็พูดอีกในหนึ่งนะอย่างของเรามองเห็นเครื่องเสียงกระชั้นเครื่องเสียงเขาเห็นเนี่ยนะเขารู้เหมือนกันไหม ไม่เหมือนเพราะความรอบรู้ฉันใดผู้ที่ทําตริญญาในขันห้านะเขาก็รู้ว่านี้ว่าเรียกว่าคนว่าสัตว์นี้เรียกว่าลุงว่าป้าว่านาว่าอาไม่ใช่ว่าเขาไม่รู้เรื่องอะไรสักอย่างหรอกเห็นแต่ขันอายตนะธาตุไม่ใช่เขารู้รู้ทั้งสองฝ่ายว่าโวหารทั่วไปเขาใช้อย่างไรแล้วในสภาพที่เป็นจริงที่สูงสุดของสิ่งนั้นคืออะไรอันนั้นในความเป็นขันอายตนะธาตุถ้าไม่เอา โดยความเป็นขันอยัตนาชาตินะไปคิดว่าไม่เที่ยงปับอะไรเกิดทิถีอะไรเกิดอุเฉศเพราะมิจฉาทิถีทั้งหลายเกิดจากการยึดถือว่าเป็นสัตว์เป็นเหตุที่เรียกว่าเกิดจากสกายาทิถีเนี่ยนะสกายาทิถีก็คือสัตตะสัญญาไม่ใช่ปิยะมะนาตสัตนะตัดตัดปิยะมะนาปัสัตออกตัดมุตสุขิตสัตออกคือตัด จิตที่เป็นกุศลไปรู้โดยความเป็นสัตว์แต่รู้ด้วยอำ น, นาจจิตที่เป็นอกุศลคือประเภทโลภะทีนี้เมื่อมีสัตตสัญญาอันนั้นขึ้นที่เหลือจะตามมาว่าสัตว์นั้นอ่ะเหมือนเดิมที่ถิ่ไหนสัสตต์ถ้าตายแล้วจบกันเลยอุเฉดแต่มันก็มีบางโอ้เนี่ยนะเป็นสัตว์เหมือนกันถ้าขันอันนี้ตายนะมันจะมีอะไรเบินออกมา แล้วก็ไปเกิดณที่นั้นอันนั้นก็ถือบางอย่างเป็นสัตว์อีกอยู่ดีเพราะฉะนั้นจึงตระม ว, ว่าทั้งหมดนั้นคืออุปาทานขันห้าอย่างน้อยที่สุดนะนี่ถึงพบไปก่อนมนุษย์ต้องเป็นผลของผลของบุญนะนะถ้าเรียกว่ามนุษย์หนยะอุปาทานขันอันนี้แต่เป็นผลของบุญอุปาทานขันอันนั้นเป็นผลของบาบอุปาทานขันอย่างนั้นเป็นผลของ าชาญอย่างนี้นะเราก็มาพิจารณาอย่างนี้จะเห็นพวกบุญกรรมก่อนเมื่อเห็นบุญกรรมแล้วถามว่าทำไมบุญกรรมจึงให้ผลนาเกิดก็มีศรีรษะอยู่นะตัณหากาวิชาเป็นศีษะรู้ยังไงเห็นยังไงจึงจะละตัณหาและทิฏฐิถ้าปฏิบัติได้ตามนั้นจริงๆก็รักษามไม่ให้ไปสู่ทุกขติได้จริงแต่อย่างน้อยที่สุดเนี่ยนะถ้าจะฝึกฝึกคิดเนี่ยถ้าจะไปสุ ข, ขติเนี่ย เห็นอารมณ์อะไรต้องปรารบให้เป็นกุศลให้ได้ถ้าฝึกขนาดนี้ไม่ได้สุขติก็หวังยากนะแปลตรงๆเลยนะว่าถ้าเรารับอารมณ์ใดแล้วคิดให้เป็นกุศลไม่ได้สุขติหวังยากเท่านั้นอ่าถามว่าเอ้างั้นตายแล้วตกนรกกันหมดหรือไงอาะถ้าเราเชื่อคาสอนขนาดไหนพระองค์บอกว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งพระองค์เอาเล็บของพระองค์เนี่ยพูดเลาว่าเล็บไม่ยาวอยู่แล้วล่ะช้อนขึ้นไปในฝุ่น ส่วนนั่นไม่ใช่แผ่นดินแต่ตัวที่เป็นแผ่นดินคือติดกันหมดตัวที่เป็นฝุ่นก็อยู่ข้างบนอ่ะเอาเล็บเนี่ยช้อนขึ้นไปข้างบนดูความพ่สู่น์ทั้งหลายเธอจะสําคัญความข้อนั้นเป็นฉนันไหนฝุ่นในเล็บของเรากับแผ่นดินไหนจะมากกั่กันบอกว่าแผ่นดินเนี่ยมากกว่าพระเจ้าค่ะฝุ่นในเล็บนี้เดียวบอกว่าชันใดก็ดีสัตว์ที่เนี่ยจากมนุษย์ไปสู่อบายมากเหมือนกันตอนแรกกราบอกขนโคกับเขาโคเนี่ยนะ ปรั บ, บมาสุขติคืนเท่ากับขนโคเออเขาโคไปเป็นไปอบายเหมือนกับขนโคอนั้นเมื่อก่อนเราก็ว่าหนักมากไปเจอสูตรนี้เข้าไปในโหสูตรนั้นชิดซ้ายหมดเลยเนี่ยห่างมากนะเพราเจอสูตรนี้เข้าไปเนี่ยหนักมากเนะี่ยทีนี้ของเราเนี่ยเป็นประเภทขนหรือเขาประเภทฝุน่นหรือว่าแผ่นดินนี่นะก็ก็ตรวจสอบอัธยาศัยตรวจจิตตัวเองนะอยู่แล้วเนี่ยนะว่าเราควรจะไปไหนถามว่าถ้าไม่ ถ้าเมื่อเป็นอย่างนี้เข้าเราไม่เอาพระพุทธเจ้าเป็นสารณะแล้วเราจะทำยังไงเอามีใครจะช่วยเราได้บ้างเอาก็พระรัตนตรายช่วยเราแล้วท่านช่วยยังไงช่วยบอกให้เราประพฤติ ท, ทำเนี่ยนะรู้ว่าเออเธอทำอย่างนี้เป็นธรรมนะทำอย่างนี้เป็นบุญนะเนี่ยนะคิดยังไงให้เป็นบุญเนี่ยนะเมื่อตามองเห็นเนี่ยนะคิดยังไงให้เป็นบุญนั่นแหละคือกิจของการปฏิบัติในาศาสนานี้ แต่ทีนี้เมื่อเป็นบุญอย่างนั้นเขาก็มาคัดบุนอีกว่าบุญต้องเป็นไปนาตามแนวไตรสิกขานะต้องเป็นไปตามแนวไตรสิกขาอั้นถ้าจริงๆนะถามว่าทำไมจึงเน้นเหลือเกินไตรสิกขาศีล ส, สมาธิปัญญาเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะว่าศีลศีลรักษาอบายรักษาศีลก็เท่ากับว่ารักษาไม่ให้ไปอบายถ้าอดบรมสมถะเนี่ยดียังไงก็ไม่ต้องเวียนกลับ ไม่ต้องเดือดร้อนกับการ ม, มาพบหรือว่าถู ก, กามทั้งหลายถ้าอบรมปัญญาเนี่ยนะตั้งแต่พิจารณาขันอายตนะจนถึงเบื่อหน่ายคลายกำหนัดในอุปาทานขันห้าได้ก็ไม่ต้องยึดถือขันห้าอีกต่อไปผู้ที่ไม่ยึดถือขันห้าผู้นั้นแหละเป็นสุขที่สุดพระอรหันต์คือทิ้งขันอันนี้แล้วก็ไม่ถือเอาขันอันใหม่เขาเรียกว่าพระขีนาศพพระขีนาสวรเนี่ยนะพระขีนาศพหรืออรหันต์ก็ หนึ่งไกลาจากกิเลสกําจัดข้าสึกคือกิเลหสหักซี่การแห่งสังสารวัชรไม่มีความลับในการกระทําบาปเป็นผู้ควรแก่สักการะเป็นต้นเนี่ยนะแลก็เป็นพระทหา์เป็นผู้ทําที่สุดแห่งแห่งทุกขพระรหัารองค์ที่หนึ่งเป็นศาสดาของเราคือพระพุทธเจ้าใช่ไหมพระทหารองค์ที่เหลือก็เป็นนาบุญของเราเนี่ยนะนะเป็นผู้ที่เราควรเอาเยี่ยงอย่างเป็นกัลยาณมิตรของเราเนี่ยนะนะนั้นถ้าเราตั้งอัตตะสัมมาปณิทิไว้ดี ที่โดยเฉพาะสามารถระลึกถึงคุณพระรัตนตรายได้นะรักษาสุขติไม่มีอะไรดีกว่านี้อีกแล้วที่ทจะให้เราปิดอบายได้นะเอาเ น, นี้ยแบบธรรมดาก่อนนะไม่ต้องไปซับซ้อนอะไรเลยเนี่ยเห็นสีก็คิดถึงพระพุทธเจ้าได้ได้ยินเสียงก็คิดถึงคุณของพระพุทธเจ้าได้อันนี้ชั้นแรกก่อนนะถ้าคิดถึงพระพุทธเจ้าได้เราจะคิดถึงคาสอนได้ไหมได้ ถ้าคิดถึงคําสอนได้ก็บอกคําสอนทุกอย่างที่พระองค์สอนมีผู้ปฏิบัติตามพระองค์จะไม่ใช่พูดตั้งหลักการกฎเกณฑ์มาให้สวยหรูเฉยเฉจะต้องมีผลต่อผู้ปฏิบัติทั้งนั้นเพราะอะไรเพราะทุกรำมขันทําให้สัตว์พ้นทุกข์หมดเลยบอกว่าทำรรมาขันทุกรำมขันเท่ากับพระพุทธเจ้าหนึ่งองค์ใช่ไหมเพราะทุกรำมขันที่พระองค์ตรัสเนี่ยช่วยให้ผู้ผู้พ้นทุกมีอยู่่ยของเราก็ค่อยๆ่อยเลื่อเลือยอย่างเนี้นะเห็นคุณของพระรัตน์ปลายเท่าไร่เราจะมี มีกำลังใจในการประพฤติ ธ, ธรรมเท่านั้นเพราะเราจะรู้ว่าทำไมเราต้องประพฤติ ธ, ธรรมถ้าไม่ประพฤติ ธ, ธรรมแล้วเสียหายยังไงรู้เลยใช่ไหมถ้าปล่อยให้โทสะเกิดอะไรเกิดถ้าปล่อยถ้าเจริญเมตตาดียังไงยังไงน